ปุถุธมะก็ไม่มีอะไรจะพูดละมันมันหมดของมันละเวลามันไม่มันไม่เอาไหนมันไม่เอาจงริงนะอย่างทุกวันเนี่ยมันหดของมันเข้าไปเลยถ้ามันหดแล้วมันก็จะเรื่องอะไรจดีก่อนมันก็ไม่เป็นเี่มันเป็นก็มาเป็นเข้ามาโดยลําดับลำดับ อย่าม่ช้าเนีบินธบัดรมันนุ่นกระพอแล้วมันก้มแล้วเงยยิงเวียนน่ะมันจะล้มต่อหน้าต่อตาคนเ็นได้เพราะงั้นมานี่ที่รับไม่ได้ถ้าาก็ล้มจริงๆนะอ่ะก็อครจะรู้ยิ่งกว่เรารู้เราทำมันคงก็เอาหัวใจคนสุดท้ายเจ้าของก็จะพังเนี่ยทำนี้ทำเพื่อหัวใจคนนั่นนะบึกบือนเวือน ถ้าอะไรจะของยิ่งอ่อนลงอ่อนลงนั่นเดียวนี่พิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกวันมันไม่มีอะไรที่เขามาเกี่ยวมาจะออกไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรมันก็หมดแม้ที่สุดการสงฆ์ข้อสงหาเทศนาว่าการเครื่องมือมันก็หมดําลังน่ะ ความเมตตาสงสารนั้นเมตตาแต่เครื่องมือที่เป็นเครื่องแสดงออกด้วยกิริยาแห่งความเมตตามันมันไม่เอาไหนแล้วมันก็จำเป็นต้องอยู่เรื่องวิตกวิจารกับหมู่กับเพื่อนนั้นผมวิตกมากยิ่งกว่าแต่ก่อนตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นความเมตตาสงสาร ก็เสมอกันแต่ไม่มีความวิตุวิจารอย่างทุกวันนี้มากเหมือนที่เป็นอยู่เวลานี้ในวัยนี้เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นสำคัญผู้นำทางก็หมดไปหมดไปเย อยู่โดยลําพังใครก็เคยอยู่แล้วโดยลําพังเป็นยังไงมันไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรเหล่านี้ก็ได้นํามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดแล้วไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องสืบเครื่องรากเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดเอาไว้เนี่ยมันพังได้ง่ายๆใจนีเรื่องอัดเรื่องทำนั้นจําได้แต่จิตเรศมันไม่ยอมฟังเสียงความจำํำอะไรนอกจาก ความจริงฉะนั้นกิเลสถึงจะยอม เ, ยเมื่อได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำกาสอนอยู่เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาและยินอยู่ด้วยหูของเราคิดอยู่ด้วยใจของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านอยู่มันก็มีกำลังภายในจิตใจนี่ก็จะว่าเป็นความจริงอั่ น, นี่งที่จะต้านทานความจำปลอมทั้งหลายได้ เพราะความจมปลอมนี้มันมันไม่เคยอ่อนตัวโดยธรรมชาติของมันมันมจีจะแข็งขึ้นเรื่อยแข็งขึ้นเรื่อยถ้ามีธรรมะเข้าไปปากไปปรามไปรักค้ า, านตามทานมันก็อ่อนตัวลงเพราะกำลังมันสู้ธรรมะไม่ได้เพอธรรมะอ่อนลงมันก็แข็งขึ้นทันทีแต่ธรรมะนี้เราต้องเนยชุดได้ลากเมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่ควรเป็นเอง ที่ควรช่วยตัวเองได้แล้วมันก็ต้องเลยฉุดได้ลากการฉุดการลากนั้นมันก็มีเวลาอ่อนตัวได้่ยเวลาอ่อนตัวนั่นแหละเป็นเวลาฝายต่ำหรือกิเลสทั้งหลายมันมีกำลังมันดีดขึ้นดีดขึ้นอทนมันไม่ไหวก็พัง่ยการมีครูมีอาจารย์จริงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียว เราเคยมาแล้วไม่สงสัยประจับใจอยู่กับท่านมันร่มเย็นกลัวก็กลัวด้วยธรรมไม่ใช่กลัวแบบโลกโลกเขากลัวกันกลัวเป็นธรมรมเบาลบเลื่อมใสทุกอย่างเป็นธรรมทั้งนั้นความกลัดความกลัวความระมัดระวังท่านกลัวท่านจะดุจะว่านี้มันก็เป็นธรรมหมดมันต่างกันอย่างนั้น ควระวังอย่างนี้เป็นเป็นธรรมเป็นธรรมยังไงจิตก็ไม่ค่อยผาดผล โ, โลดเต้นค่อยไปตามร่องตามรอยตัวหลักฐานพยานท่านโลร่วงรยไปร่วงรวยไป่นะคือครูบาอาจารย์ร่วงรวยไปร่วงรวยไปใจของเราก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงอันเนี้ยที่ว่าที่ตกมากนะแล้วเชื่อไฟเวลานี้มากาจริงๆ จะมองไม่ทันคิดไม่ทันเชื่อไฟที่จะส่งเสริมกิเลสให้มีความรุนแรงมากขึ้นเพื่อเผาหัวใจของสัตว์โลกไม่ว่าใครๆก็าตามมันมีอยู่รอบด้านมีอยู่ทุกแห่งทุกผลนี่สิที่ทำให้วิตกวิจารมากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กล่อมได้อย่างง่ายดายที่สุดเลย มีมาทุกแง่ทุกมุมทําให้หลงให้เพลินได้ทั้งนั้นความหลงความเพลินเป็นเรื่องของกิเลสสิ่งที่จะทําให้หลงให้เพลินก็คือเครื่องล่อของกิเลสเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั่วไปหมดใครจะคิดว่าสิ่ง น, นี้เป็นภยัยถ้าคิดว่าเป็นภยัยเข้าใจว่าเป็นภยัยภายในกิจจริ ง, รงๆแล้วใครจะไปสอ ใครจะไปสะแสวงหามาไม่หามานี่ก็คิดเห็นดวดาเป็นความเพลิดความเพลินความสนุกสนานเรื่องเดิมโดยไม่ได้คิดว่ายาพิษมันแฉงตัวของมันมากับสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นั้นเลยนี่สิสําคัญมากโลกถึงไม่เสียหายกันมากมายกันทั้งที่ว่าโลกจเจริญ น, นั่นแหล ะ, จะเจริญมันก็เ <c oughs> จริญไปเรื ความทุกข์ความลำบากความทรมานเสียไม่แม้จะเรียนแเพื่ อ, เ พ, อเพื่อความ ส, ง, สงบสุขถ้ามีทมเขาแทรกแล้วหาจุดที่หมายไม่ได้เลยใครจ ะ, จะว่ามีความรู้วิชาฐานะมั่นคงขนาดไหนก็ตามมันก็เพียงเป็นเพียงลมปากเพียงความสำคัญของใจเท่านั้นว่ามีสิ่ง น, นั้นว่ามีสิ่ง น, นี้ จิตเข้าไปพึ่งสี่นั้นเข้าไปพึ่งสิ่นี้ไปเกาะสินงนั้นไปเกาะสิ่งนี้ก็ได้เพียงความสัญญาความจํญญาคว า, จความหมายเท่านั้นความจริงมันไม่มีในหัวใจนั่นเพราะไม่มีธรรมซึ่งเป็นความจริงแท้อยู่นั่นแล้วจะอะไรมาเป็นสาระแก่นสารได้ไม่มีล้มได้เดียกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีธรรมชิ้นอย่างเดียว เงียบที่ทำให้ยิ่ตกมากไปทุกวันทุ ว, นทวันสิ่งที่มันเป็นค่าสิทธิ์ต่อสัตว์โลกมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนทั้งผู้มีชีวิตอยู่ทั้งผู้ตายไปแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานมีชีวิตอยู่นี้ก็มีสภาพหนึ่ง ที่จะทำให้ลุงหลวงให้รับความทุกข์ความทรมานตายไปแล้วก็เป็นอีสภาพหนึ่งซึ่งเรียกว่ารูบา ก, ก ร, รมต้องแผ่ต้องเผาสัตว์ทั้งหลายตามหน้าแผงกรรมหนักเบามากน้อยของตนของตนทั่วดินแดนไม่มีอะไรว่างเลยว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ทำกรรมผู้ที่จะมาถูาลากให้ลุดให้พ้นไปจากนั่นก็ มาเป็นการเป็นเวลาเช่นพระพุทธเจ้ามาตรัสเรื่ก็มาเป็นการเป็นเวลาที่จะได้รับผลรับประโยชน์สิสัตว์ทั้งหลายจะพอหลุดพอคน้นไปได้หรือผ่อนหนักเป็นเบาแต่ตอนนั้นเท่านั้นแหละอ น, นี้พุทธศาสนายังมีอยู่แต่เราสังเกต ด, ดูที่ว่า ผู้นับถือพุทธศาสนาด้วยความจริงใจมีสักกี่รายนอกจากมีแต่ลมปากพูดว่าเป็นชาวพุทธเท่านั้นแม้ที่สุดพระเราก็ไม่พ้นจะเป็นอย่างโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้บวชเลยเราอยากเข้าใจว่าพระเหล่านี้เป็นผู้แน้นหนามัม่นคงต่อสารณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมั่นคงต่อการปฏิบัติเพื่อแก้ไขถอดถอนจุเดให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ ไ ม, ไม่ไม่อยากมีแต่ว่าอาย น, นี่ต็งนี้เรื่อเครื่องอาศัยัหรือว่าเป็นโลกก็ได้แล้วบวชมาใครก็คารบเห็นผะ้ากาสะวะพัดแล้วจิตใจก็อ่อนทำอะไรไม่ได้เมื่อจะคิดดูถูกหยายามก็กลัวเป็นบาปนะผู้ที่สนุกทำบาปที่อยู่ในบงผ้าเหลืองก็ ทำอย่างหน้าด้านไปได้สบายๆนั่นวิริยะฟังดูมันไว้หน้าใครที่ไหนมันไม่ได้ไว้ทำได้เป็นได้ทั้งนั้นถ้าเผอตัวเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าพระไม่ว่าคารวะม <c oughs> ันเป็นได้ด้วยกันเนี่ยเนี่ยที่ว่าศ า, าสนาเสื่อมดังที่เคยพูดแล้วมันเสื่อมอยู่ที่ตัวบุคคลตัวผู้นับถือศาสนามันไม่ได้มีความจริงจังอะไร ทำที่กันสอนไว้ด้วยความจริงจังเบิกพระเมตตาผู้รับมันไม่รับด้วยความจริงจังสัตว์จะรับไลยเป็นขนมประเพณีไปเสียทําอะไรจึงมีแต่ตั้งแต่ขนมประเพณีพอให้แล้วให้แล้วอส่วนที่สะหวังเอาจริงเอาจังเอาความสุขความถูกต้องดีงามจากศาสนาธรรมจริงมันไม่สนใจมันไม่เลยมีตั้งแต่ กิริยามีแต่พิธีเพียงเท่านั้นนี่เราเนี่ยเป็นความอ่อนเอยมากไหมผู้นับอีักสนาพิจารณาตามนี้กี้อนีมาวงพระวงเนของเรานี่กแต่เฉพาะวงพ่อแม่กูจันมั่นของเรานี่ก็นนับวันอ่อนลงอ่อนลงการอ่อนในใน ความพ้นขวายในการตบคืดปฏิบัติหลักธรรมหลักวินัยเพื่อความแก้ความไข่ถอดถอนแล้วจะ อ, อะไรมาแข็งอะไรมาเป็นผลผลที่จเกวยขึ้นให้เป็นความสงบร่มเย็ยนก็ไม่มีเป็นความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีเพราะความพ้นขวายมันอ่อนแอเอามากนะถึงกับไม่มี ต่อไปนี้ทางยังกรมในวัดกรรมฐานของเราจะไม่มีเหลือนะถ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดางองค์เอกท่านทรงเดินจงกรมอยู่ตลอดวันประนิพนานมีในตำหนับตาํร า, ร า, าราภาษาโลกอรหัตอรหันท่านทั้งทั้งที่ท่านสิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้น ท่านก็เดินจงกลมอยู่จนกระทั่งวันปริทิผ่านเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะเห็นว่าได้มรรคได้ผลเป็นที่พอพระไทยและเป็นที่พอใจแล้วการเดินจงกลมไม่จำเป็นท่านนักจำเป็นของท่านในแง่หนึ่งที่เราผู้เป็นครังกิเลสไม่สามารถที่จะทราบได้นั่นแหละทราบได้เฉพาะท่านผู้สิน้นกิเลส ว่าการเดินจังกลมนั่งสมาธิภาวนามีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับกจิตใจและทาทธาตุขันธ์ของท่านเมื่อยังทรงพระชนอยู่และมีชีวิตยอยู่ท่านทราบของท่านได้ดีและความชุ่มเย็นระหว่างขันธ์กับกจิตที่จะสืบต่อกันไปให้ยืดยาวนานพอถึงการอายุขขึ้นอยู่กับอะไรท่านก็ทราบ เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นโอสุดสาคัญทั้งนั้นลังก์ท่านจะดําเนินไม่ละไม่ถอยน่เป็นเพียงผิดกันกันกบพวกเราที่มีกิเลสภาสวะหนักเบามากน้อยเท่านั้นมีภาวนาของพวกเราเดินจงกรมนั่งสมาธิของคนมีกิเลสจริงต้องเดินเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อชาระกิเลสตามประเภทที่มีอยู่มีอยู่ของตน จรงกระทั่งถึงใผ่านพ้นไปได้นี่เจตนามีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นให้มาผู้ที่งเจตแล้วท่านไม่มีเจตนาที่จะแก้ไขตัด ถ, ถอนทจตเด็ดตัวใดขัดก็ระหว่างขันกับหิบขัดกันเท่านั้นขัดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันหยิบเมื่อจะคลองธาตงครองขันไปนานก็ต้องมีการปฏิบัติเยียวยารักษากัน เหมาะสมในทางใดก็ต้องนำทางนั้นมาปฏิบัติเช่นเดินกยมเป็นวิธีการบำบัด ร, รักษาอย่างหนึ่ง น, นั่งสมาธิภาวนาเป็นวิธีการบำบัด ร, รักษาระหว่างขับขันกับกิตที่อยู่ด้วยกันนี่ประการนนาหนึ่งหนักสำหรับผู้ที่เกิดความเพียรทุก ป, ประโยชน์มีจะโทุมลงไปเพื่อค่ากิเดสทั้งนั้นมีต่างกันที่ตรงนี้กิเดสหนักเบามากน้อยอย่างไรละเอียดแค่ไหน เรื่องความเพียรนี่ทุ่มลงไปเพื่อที่เดชเพื่อที่เดชทั้งนั้นเพื่อจะสังหารที่เดชแต่พูดถึงให้คาสุดยอดจริงๆเพื่อสังหารที่เดชกลางกระหนังนี่เราก็เป็นครังที่เดชอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งขี้เกียจขี่คลานการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการสังรวมระวังรักษาจิตใจของตอนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึด ถ, ถือเป็นที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะของเรา คิดสิิดเมื่อยังไม่พอตัวต้องต้องเกาะร้อยทั้งร้อยพันทั้งมันทั้งหมื่นทั้งแสนทั้งล้านล้านเกาะทั้งนั้นดูจิตของเราดวงเดียวนี่ก็เท่ากับดูจิตทั่วโลกดินแดนนั่นเองของสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังไม่มีที่เกาะที่ยึดต้องสาะต้องแสวงหามีแล้วก็ต้องเกาะเว้นแต่พูดที่พอแล้วดังที่กล่าวมาสักครู่นี้เท่านั้นท่านไม่เกาะ พระพุทธเจ้าพระสาวกอราหารันท่านท่านไม่เกาะทำกับท่านเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นธรรมโมโปฏิปโอทำฉันใดจิตใจที่บริสุทธิ์ก็ฉันนั้นจิตใจที่บริสุทธิ์ฉันใดทำที่เลือดก็ฉันนั้นนั่ น, นเข้าขึ้นกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วจะเอาอะไรไปเกาะอะไรมีอันเดียวไปหาเกาะกับอะไรน่นต่างกันอย่างนี้ คุณมีกิเลสทั้ทงที่ว่ามีกิเลสมันไม่ใช่สองเลยหรือน่ะแล้วจะทําทยัางไงที่จะแก้กิเลสลงไปได้ก็ต้องชะกต้องล้างต้องกําจับมันด้วยสังวรธรรมคือความระมัดระวังสังเกตตัวเองประกอบความภาคยือนเพื่อแก้เพื่อคขเพื่อถอดถอนตัวเองอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อเกาะเกาะทํา สติปัญญาเป็นเครื่องเกาะความเพียร น, นี้เป็นเครื่องเกาะทั้งนั้นเครื่องยึดทั้งนั้นมาอย่างนั้นก่เอดไม่กลัวต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำบังหรือเป็นเครื่องมือต้านทานเครื่อง ก, อากาันละกันเฮียี่วิตกวิจารณกรหมู่เพื่อนเดี๋ยวกือเรื่องการประกอบความผ้าความเพียรเพราะสิ่งที่มันจะมาทับ โถงโจมตีเหล่านั้นมันมากต่อมากเวลานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกคนตาบลหมู่บ้านไม่ว่าบ้านนอกในเมืองมันเป็นอันเดียวกันหมดถ้าเราจะได้หนังนั้นหนาได้หนังเพชรมาจากไหนที่จะไม่ถลอกปอกเปิ่เมื่อกระทบกระเทือนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็เป็นเหมือนหนังของโลกเขานั่นแหละคําว่าหนังก็หมายถึงใจ ใจยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนใจโลกเนี่ยเมื่อถูกกระทบกระเทือนก็ต้องถลอกปอกเปิดกและชิบหายไปเื้อหายไปตามๆกันกับสิ่งที่มากระทบกระเทือนหนักเบามากน้อยอยู่โดยดีเนี่ยถ้าไม่มีการาระมัดระวังรักษาเป็นอย่างนั้นการประกอบความเพียรก็เคยได้พูดให้ฟัง มากต่อมากแล้วอุบายวิธีการใดที่ได้ผลมากกว่าวิธีการอื่นให้นํามาใช้ให้มากให้สนใจกับวิธีการนั่นเหล่านี้ก็บอกมาแล้วใจที่ดื้อคืออะไรบอกกิเลสนั่นเองมันดือ้อใจจริงๆไม่ดือ้อไม่ได้กิเลสมันเข้าฝังใจสิจึงทให้ ให้ใจดีดิ้นดื้อด้านต่ออัดต่อทรพระกายจริงๆไม่ไม่ดือ้อกิเลสที่แฝงอยู่ในใจนั่นแหละพาให้ดือ้อพาให้ด้านพาให้ทำความผิดพลาดอยู่เสมอจริงต้องเลยใช้ความเปนนิตริจนาเอาอย่างมากไม่เช่นนั้นไปไม่รอดนะสติส่วนมากตั้งได้ด้วยการผ่อนอาหารเนี่ยสำคัญนะ ผมประจั์ในหัวใจจึงได้กล้าพูดอยู่เสมอถ้ายิ่งพูดตั้งสติสตาง<ม>ไม่ได้เรื่องแล้วนั่นยิ่งแล้วหนะักฐานมีกำลังมากมันทับไปจริงๆ<ม>ต้องได้ผ่อนได้บังคับก็เคยพูดให้ฟัง<ม>แล้วว่าตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานขึ้นเบทีต่อกอนกับติเล่ไม่มีวันไหนเวลาใดได้ไดรับความสะดวกสบายตามอิสระเลย เพราะมันไม่มีอิสระนีเรศมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาเราเจ้าอิสระมาจากไหนมันต้องระมัดตะวังต่อสู้อยู่ตลอดทางท่าทางขันการอยู่การกินก็ต้องได้ ก, กดเอาไว้บังคับเอาไว้ไม่กินมากนอนก็เหมือนกันมีแต่ท่าบังคับท่าตบท่าต่ อ, อยกันอยู่นั้นถ้าอยู่สะดวกสบายไม่มีนี่แหละการต่อสู้กับยิเลสมันต้องเป็นอย่างนี้ อู่ปกติก็ระวังอยู่ตลอดสติกับใจไม่ใหพลาดพลากจากกันมีอยู่อยางนั้นปัญญาที่จะนำมาสอดสองที่จะนำมาพินิพิจนาจิงไหลให้รู้เหตุดูผลชัดเจนแล้วปล่อยวางนั้นก็ได้ใช้ด้วยมาสับกันไปปนกันไปนั้นะจึงอยู่เป็นสุขไม่ได้นะเราจะอยู่เป็นสุขโดยลําพังตั้งๆที่มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่นี้มันเป็นสุขไม่ได้ ทุก็ต้องยอมรับว่าทุกทุกเพราะการต่อสู้แก้ไขที่เหล่านี้พระพุทธเจ้าก็พาทุกมาแล้วสาวกทั้งหลายท่านพาทุกมาแล้วไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรสําหรับผู้ดําเนินงานเพื่อความพ้นทุกจะต้องยอมรับความหนักเบามักน้ อ, นอยแห่งความเปลี่ยนของตนเนี่ยสําคัญตรงนี้แล้วครูบาอาจารย์พัดไปพลาดไปจากไปก็จะกลายเป็นโลเลไปหมด กรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อแต่นามหาความจริงในวงกรรมฐานไม่ได้นี่ที่ทำให้มีตกมากแล้วก็เรื่องการเกิดการตายที่จะหมุนไปเวียนมาของใจที่มีกิเลสนี่อันหนึ่งสาคัญมากนะมีสาคัญเนอะมากทีเดียวถ้าเราชำระลงไปให้ได้มีความเบาบางไปพอสมควรแล้วก็ยังพอทำเนาเกิดในภพชาติต่าง ก็เป็นภพที่ดีพอบรรเทาทุกข์ได้ในภพนั้นๆถ้าเป็นแบบครางกิเลสเช่นเดียวกับโลกทั่ ว, วไปแล้วความเป็นอยู่ความหนักเบามาักน้อยในเรื่องทุกข์ทั้งหลายนั่นก็เป็นเหมือนโลกทั่ ว, ว, วไปนี่อันนี้ก็ทําให้ยิ่ตกยิ่งอานอันหนึ่งเหมือนกันเมื่อเทียบกับท่านผู้สิน้นกิเลสแล้วมาบวกกันกับ พวกเราที่เป็นคำที่เลืนี้มันเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละเพราะท่านทิ่นท่านทิ่นจริงๆท่านหมดจริงๆ ร, ร, ร, รู้อยู่ภานะหัวใจขอ ง, งท่านไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําว่าอาดีตเพราะอาดีตที่ผ่านมาแล้วท่านก็ไม่ไปยึดอนาคตที่จะมาข้างหน้าจะมาจากไหนปัจจุบันก็รู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาขาดจากสิ่งทั้งหลายอยู่แล้ว โดยประการทั้งปวงถึงว่าไม่มีอดีตอนาคตอยู่ในวงปัจจุบันล้วนๆนนั่นแล้วท่านจะไม่ทราบได้อย่างไงกับการเกิดการตายเมื่อสิ้นทราบภายในจิตใจแล้วท่านจะ อ, อะไรไปเกิดแล้วอะไรมาเป็นเครื่องก่อควรวุ่นวายในวาระนั้นวาระนี้ชาตินั้นชาตินี้ชาติก็มีมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองทุกทั้งหลาย ทุกข์จะเกิดมาจากไหนนักดูข้างนาทีอชาตับสักผู้ไม่เกิดคือผู้ไม่มีทุกข์ก็รู้อยู่ภายในจิตใจจิตไม่ไม่เกิดอีกก็รู้นะแล้วเอามาเทียบกับพวกกิวกเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่สูสงต่ำรุำ่งมันดอนที่เต็มไปด้วยกองทุกกองทุกจนกระทั่งถึงขั้นหันแต่ทุกข์นี้สิ มันน่าทุเรศเอาจริงๆแต่พวกเราทั้งหลายนั่นมีแต่ความหลับความเอนตั้งมีแต่ความหวังเต็มหัวใจแต่ไม่เคยมีอะไรสมหวังตื่นขึ้นมาหวังแล้วจนารทั้งหลับหวังนี่ตลอดเวลาแต่ไม่สร้างเหตุแห่งความหวังให้มีขึ้นมาพอต้อนรับความหวังให้สมหวังบ้างนี่เ อ, อันหนึ่งนนะมันสาคัญอยู่มากทีเดียว จะพบไหนที่จะไม่แบกกองทุกมากน้อยส่วนมาออกมีแต่พบเป็นฟืนเป็นไฟนั่นเอเพราะจิตใจมันปฏิพัทธ์ยินดีกับสาเหตุแห่งความเป็นฟืนเป็นไฟและสเสาะแสหาคว้นไขยกันดิ้นรนกันอยู่อย่างกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟนนอย่างเมธีสอยู่มันก็ร้อนให้เห็นอยู่ภายในหัวใจ เพื่อประดับภายนอกก็คือกิริยามายาทเท่านั้นมองเห็นกันก็ว่าเป็นความสุขความสบายภายในหัวใจมันเหมือนไฟไหม้กองแกลบนี่ราพอกิเลสอยู่ในนั้นเวลาตายไปแล้วจะอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่สร้างหลักเกณฑ์คือความดีไว้สาหรับตนจ้อย่างน้อยให้พอเป็นพอไปพอถูพอไถกันมากกว่านั้นให้เป็นที่พอใจ แล้วไปหากยังยังมีเกิดอีกอยู่ก็ยังเกิดในฐานที่พอบรรเทาได้ในเรื่องความทุกข์ความทรมานทั้งหลายเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความดีภายในใจเป็นเครื่องต้านฐานกันจึ่งพอถูพอไ ถ, ก, อถกันไปได้แต่สำหลับนักบวชเราจะไปคิดอะไรยืดเยื้อถึงภพนั้นภพนี้ซึ่งคิดกับ เพศของนักบวชซึ่งเป็นเพศเพื่อความพ้นทุกข์นี่มากมายความเพียรยางไรจะเด็กกิเลสตัวไหนจะขาดในวันนี้เดือนนี้ปีนี้เป็นสิ่งที่ต้องการตางนั้นทางนั้นนั่ น, น, นถึงถูกต้องยิดมีแต่ห้ามหันลงกับกิเลสอย่างเดียวเพื่อความสินส้นไปสิ้นไปสิ้นไปแห่งเชื้อที่จะพาให้เกิดนี้โดยลำดับํำดาหนี่ทางของนักบวชเจตนาของนักบวชความมุ่งหมายของนักบวช ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านเคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นเอาจงกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายานใจเลยแล้วเราจะได้สนุกดูไม่ตั้งใจว่าจะดูแหละแต่เรื่องทั้งหลายกับใจอันนี้ใจปิดไม่อยู่เพราะใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้แล้วกว้างแคบขนาดไหนใจที่พ้นจากความปิดบังไปหมดแล้ว ไม่มีอะไรปิดบังหุ้มหอ่เ อ, อเปิดเผยตัวเองออกหมาแล้วทําไมจะไม่รู้ทาไมจะไม่เห็นาว่ดสนุกดูก็ทําไมจะไม่สนุกดูแต่ท่านไม่สนุกในกิริยานี้เอามาจากโลกเท่านั้นมาพูดดูตามเหตุตามผลตามหลักความจริงจะทำให้สฉลิมจังเวศเป็นไหนๆพูดไม่ถูกแต่ว่าล้นหัวใจก็ได้ดูทุ่เรื่องความสลิมังเวศต่อสัตว์ทั้งหลายที่ ได้รับความทุกข์ความทรมานด้วยการเย็ยนเกิดเย็ยนตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยและการเสวยกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากความคืบความขอนองของตนและความไม่รู้ไม่เห็นของตนทำนองไปนะที่เกี่ยวกับปืนกับไฟแล้วกลับมาเผาไหม้ตนเองนี่มันน่าสรุปสังเวชเอามากมายใครจะว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีก็าตามเถิด พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นพอแล้วนอกนั้นมีแต่สัตว์ตาบอดคนตาบอดไปรู้ทด้ยังไงเราเทียบไปสิสิ่งที่จะพึงเห็นน่ะเต็มแผ่นดินแต่เราเป็นคนตาบอดเสียคนเท่านี้เป็นยังไงแล้ว ม, มีความหมายอะไรกับสิ่งที่มีอยู่นั้นคนตาบอดมันไม่เห็นมันก็บอกไม่มีแต่คนตาดีแล้วเป็นยังไงฟังสิใครจะปฏิเสธได้ลงขอบฮั่น น, นี่แหละ เรื่องบาปบุญกุลโทษนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานสแสดงไว้อย่างสดสุดร้อนร้อนไม่ไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยอันนั้นเป็นเรื่องของเจดีมาเสดสันปัญญอมาคัดมาค้านต้านทานไม่ให้เชื่อทำทั้งหลายที่เป็นความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะนั้นจึงขอให้เป็นที่โล่งใจแล้วปฏิบัติตัวให้ถึงเกลื่ถึงแดน อย่างความมุ่งหมายเสียการเสียเวลาอยู่ก็ให้เหมือนอยู่คนเดียวแม้จะมีเพื่อนสูงมากขนาดไหนก็ให้ทำความรู้สึกตัวอยู่กับความเพียรประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวสองกับความเพียรเท่านั้นว่าสองก็อยู่หมุนกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเหมาะขอให้ใจานนี้ได้ดูพ้นไปเถอะเป็นยไงแดนอัศจรรย์ เราท่านเกิดมาแล้วไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ท่านพูดให้ฟังพูดให้ฟังทำท่านจะแสดงเอาไว้แต่ไม่เคยปรากฏในหัวใจเราเลยึเราก็เอาความแน่นอนไม่ไม่ได้เมื่อเจอก็ไปเสียอย่างดังๆเท่านั้นดังภาษาบอกท่านตรัสรุ้รูบ้บรรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้าอนั้นมาบราบเลยการยอมรับพระพุทธเจ้าเพราะความมืดสุดความมุดพ้นจากทุกขนั้นเป็นอันเดียวกันไม่จําเป็นต้องปรินตามพระพุทธเจ้า นั่นเป็นผู้หมดห่วงหมดใจยยหมดภาระกังบลทุกสิ่งทุกอย่างหมดโดยสิ้นเชิงก็คือผู้สิ้นจากรทิเดศสิ้นแล้วรู้แล้วประจักษ์อยู่ในปัจจุบันนั่นนี่แหละผลแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้พากันย่อหย่อนอ่อนสติกำลังวังชามีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านโหมตัวเข้ามาทับผมแล้วไปไม่รอดนะ่ะจะตายจมโลกอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเราไม่เคยจมไม่เคยตายความจริงมันเคยเป็นมาตั้งแต่แล้วก็ไม่เบื่อหน่าย จะต้องลงไปจุดนั้นอีกแหละความทุกข์ความทรมารนี่ก็ตั้งแต่วันที่จะไหลก็ไม่ได้เทศสนาว่าการก็ยังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้ ว, ลวนะั่นแหละวันนี้ก็ถูไถ่ายเฉยๆเทศก็ยังที่เห็นได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ถูไปลากไปนั่นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนก็เป็นอย่างนี้แหละทัางที่เล่าให้ฟังนี้ เป็ห่ว ง, งทางภาคปฏิบัติความภาคความเพียรสติปัญญาเพราะดูด้วยกันมันก็เห็นกันอยู่นี่มันบกมันพร่องให้เห็นอยู่ทั้งๆที่เจ้าของก็พยายามเต็มกําลังความสามารถแต่มันก็พ้นไม่ได้ที่เป็นช่องโหว่อันเป็นเครื่องหมายของกิเลสเปิดตัวเครื่อหมาเห็นได้เห็นอยู่จนได้นั่นแหละนี่แหละที่ดูด่ า, าว่ากล่าวก็เพราะสิ่งที่ทําให้เห็นมันมีอยู่มีอยู่ คือไม่รอบมันมันถึงแสดงออกมาถ้ารอบแล้วจะไม่มีอะไรแสดงออกมายิ่งต้องใช้ก่อนน้อมสัตวรวังให้มากจิตใจเป็นของสาคัญยามีความสนใจกับสิ่งใดว่าเป็นของเลิอดเดยมาจากที่ไหนเป็นสิ่งที่เคยคุกเข้ากับหัวใจทำความทุกข์ทรมานเจิญใจมาแล้วมากมายเหมือนกันหมดไม่น่าสงสัย ก็มีอยู่ทางเดียวทยี่ความพ้นทุกข์เราไม่เคยพ้นเอาให้เห็นจริงๆังเอันนี้ไม่เคยสิ่งนั้นเคยมาแล้วด้วยกันไปตื่นเต้นกับมันอะไรไปติดอะไรกับมันไปหลงอะไรกับมันเหมือนหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้นไม่เคยมีเคยมาแล้วเคยยิ่งกว่าเคยแต่การจำระจิตใจของเราด้วยความภาคความเพียรเพื่อความดุดพ้นนี้เรายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีบ้างก็เล็กเล็น้อยนอยอามันถึงขีดถึงแดน ให้จิตได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นยังไงนั่นอันนี้เรายังไม่เคยให้ได้เห็นในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักบวชและมีหน้าที่การงานเพียงอย่างเดียวเท่านี้จะเป็นยังไงเอ า, ท า, เ, อานนเท่านั้นเอวันนี้เทเดีเหนื่อยแจกคนมาเนี่เหมือนเขาขนไม้สูงมาให้เราแบกนะาเราไม่ว่าชาติท่านวันใดมันเป็นน้ำหนักเท่ากันเท่ากันที่เราจะต้องแบกบ ต้องรับภาระนี่มันขนาดนั้นนะและปกติมันก็ทราบออกมาอยู่ในหัวใจชจาติอยู่แล้วมีน้ำหนักเสมอกันอย่างที่ผมเคยยกเป็นตัวอย่างให้มาทองคำแท่งนี้ห น, นักสิบกิโลไม้ท่อนนี้ก็สิบกิโลหรือชิ้นนี้สิบกิโลแล้วลว่าทองคำเป็นของมีคุณค่าแล้วทาไมมันเรื่องความหนักของมันก็เท่ากันนะ เีตุการยรภาระของโลกมาันมีน้ำหนักเขาขนาดชั้นแบบหน้าดเป็นภาระที่ต้องแบกในยุคปัจจุบันแล้วมันยิ่ดูสิช้อนเราเคยคิดเมืไหรช้อนหนักหรือเบานัน่นมันไปถึงขนาดช้อนมันยังไปไปตำหนิได้ว่าช้อนนี้หนักช้อนนี้เบาดนย มัน ท, ทั้งอยู่แต่ก่อนเราไม่เคยคิดเลยนะจับยกขึ้นรู้แล้วชรานนี้หนะักชรานนี้บอกบาขทท่ายเป็นปกติแล้วจะเรียกเวลายกขึ้นมาจะยินระบาดต้องเปิดสายบาดดูเพราะมันหนักเข้าใจว่ามีของอยู่ในนั้นความนหนักอะไรแต่แล้วมันมันก็ไม่มีเพราะกําลังของเรามันอ่อนแต่จะให้ควา พิตุกวิจารกท่ากขันอะไรนี่ไม่มีบอ ก, กงงงั้นเหรอเราลำพังเราแล้วเราไม่มีจริงเดไม่มีเลยเรื่องอาศัยกันไปช่ยย่ยระยะการตัวรู้มันอยู่ตลอดทั่วถึงหมดทุกอย่างจะตื่นมันอะไรจะนอกจากอยู่เ พ, พ, พื่อเพื่อนฝูงและโล ก, กทั่วไปที่พอจะเป็นตะได้ อย่างนั้นมันก็หนักของมันอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็มาเกี่ยวข้องมากแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยพิจนาอไรมันยิ่งมันไปเนี่ยความรู้มันแลกมากไปพิจนาไปเฉลยมันยิ่งมันกระจายออกกระจายออกกระจายออกนอนพิงคอลาแล้วมันก็ลืมหมดแล้วมันไม่ได้เรื่องทุกวันนี้ยังบอกแล้ว อยูก็หมู่กับเพื่อนอยู่นันก็ยังว่ายังว่า ด, ดีอยู่นะการลําพังกับของเราหายอ ย, อยป่าในเขาที่ไหนผู้หาจใจฟอดฟอดถึงวันมันเท่านั้นก็พอแล้วเนะหมาะกับปัญญาใสแล้วนะั่นเพรามันปล่อยไปหมดทุกอย่างแล้วนะภาระทุลังอะไรกินมันหดเข้ามาหดเข้ามาไม่อยากเล่นกับอะไรแล้วนะี่ มันเป็นั้งมันเองโหดเข้ามาโหดเข้ามาเหมือนเราดึงจอมแหที่ตากไว้มันเป็นลักษณะนั้ น, นเป็นเองรุ่งก่อนมันก็ไม่เป็นพราะธาตุขันก็มีกำลังอยู่ทำประโยชน์อะไรก็ได้นี่เหมือนดึงออกเหมือนดึงสายยางเราดึงออกเคร่องชื่วหลุดมือเป้าเข้าแล้วผมมันหนักนะ อย่าให้มีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นไปรังขาดนะภาะปฏิบัติชำระกิเลสทำไมทำไมจะให้กิเลสมาเหยียบหัวเอาอย่างหน้าด้านๆนีน่มันเกินไปนะบิณฑบาดก็ให้สับเปลี่ยนกันไปสายนั่นสายนี้คช่ไ mm. หมมันสม่าเสมอกันนี่บาตรนี่ให้ช้ากว่าปกติที่เราเคยไปสิบนาที เกือ่ยทางกายเข้ามาให้โดยทันถินเวลายาดิ้ดีลูกลุ่นดิกๆีด่วนๆไม่เหมาะไปเป็นกิจวัตรของการมีสบัดด้วยความสวยงามแห่งมารยาของพระนั่นเหาะเอาเท่านั้นเอาออกแล้มเน่เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรละ